ต่อไปก็เป็นการฟังธรรมตามการในเวลาที่เรามีโอกาสในฟังธรรมนะเรียกว่าธรรมัสวนังการทำการฟังธรรมตามการนี้ก็เป็นมงคลในะของชีวิตของเราเรียกว่าอะไรที่เป็นมงคลกับชีวิตการฟังธรรมะนะเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญา นนอันอานิสงส์ของการฟังเนี่ยยังมีด้วยกันมากหนึ่งก็นะจะทําให้สิ่งที่เราเคยสงสัยอยู่นะในเรื่องข้ออัดข้อธรรมเนี่ยเราก็จะหายความสงสัยลงไปได้หรือบั้นเทาลงไปได้นะเช่นว่าเราสงสัยว่านรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมนิพพานมีจริงไหมเนี่ย เมื่อเราได้ฟังธรรมในข้อคิดพิจารณาก็ใจของเราก็อาจจะมีความรู้ขึ้นภาษาวกของพระสัสดาของเราเนี่ยทุบองนะก็ต้องอาศัยการฟังธรรมนะของพระสัสดาหรือของภาษาวกด้วยกันเนี่ยจึงจะสามารถดวงตาเห็นธรรม หรือว่าได้สำเร็จเป็นพระอรหันได้อาศัยการฟังเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีประสาทหูที่ดีและประสาทตาที่สมบูรณ์ขึ้นมาอันนี้เกิดรีไกวาเป็นทรัพย์ที่เราได้มาแล้วตั้งแต่เกิดนะเราได้ดวงตาข้างนอกที่ดีเราก็ได้มองเห็นชัดแจ้ง นะได้อภิญ า, าที่ครบถ้วนมาแล้วนี้ก็เป็นบุญอย่างมากบุญอย่างอื่นนั้นที่เราจะได้มาก็ต้องเกิดจากสติปัญญาที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี้แหละเมื่อเราได้มีโอกาสฟังธรรมก็ยังเกิดสติเกิดปัญญาขึ้ น, นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงสรรเสริญตัดสรรเสริญในเรื่องการฟังธรรมว่าเป็นมงคลของชีวิต เราจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราได้ถ้าสัยการฟังนะการฟังการดูนี่แหละบางทีก็ไม่ได้ว่าจะต้องได้ยินเสียงนะนะเพียงแต่ว่าเราฟังในความเงียบนะจิตของเราที่เงียบสงบนะจะเป็นการฟังธรรมะแนละ้วเพราะปัญญาที่จะรู้ว่าจริงๆเนี่ยต้องจิตของเราที่มีความเงียบสงบ วมิเวทเป็นสำคัญเราก็จะฉลาดขึ้นว่าอย่างการกระสร้างความดีเราให้ทานทาบุญทำจา ก, กจิตใจที่สงบผลบุญของเราจะมากขึ้นอย่างเช่ว่าเรานี้ตั้งใจจะใส่บาตรใส่บาตรเราก็ตั้งจิตสำรวมดีดงานระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์ไว้นะเป็นอารมณ์ของใจของเราเลกกรรมฐานที่เราได้เคยฝึกเนี่ยดูลมให้ใจเข้าออกและบริกรรมพุทโธก็ตามเป็นการระลึกไปในถึงคุณของ พ, พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์และคุณในพระพทธเจ้าก็ระลึกไปในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรณาธิคุณเนี่ยระึกถึงคุณพระธรรม อันจะเป็นธรรมที่จะนำสัตว์ออกจากกองทุกข์ทั้งหลายถึงคุณของพระสงค์ผู้ปฏิบัติดีตามความสอนของพระพุทธเจ้าำจิตให้บริสุทธิ์ได้นเมื่อเราจะทำทานก็ดีเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นอารมณ์ของใจก็คือทำใจของเราให้มันมีความสงบมีปิติมีความสุขมีความบริสุทธิ์ ทรัพย์ที่เราหามมาได้ก็เป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ถึงแม้ว่าจํานวนทรัพย์นั้นไม่มากนะใส่บาสักหนึ่งทพัพีใส่ขนมสักหนึ่งชิ้นนะก็ไม่ใช่เป็นว่าไม่ใช่ว่าเป็นของเล็กน้อยเพราะว่าใจของเรามันดีแล้วทรัพย์ที่ได้มาอาหารก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้ว พระสง์สาวกของพระเิเจ้าวผปฏิบัติตามคำสอนของท่านมีศีลละจริยวัดาการงดงามและมีใจตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้เมื่อไปรับบาตรแล้วใจของพวกเราก็มีความสุขก็ย่อมจะได้อาริส่์มากนันการที่เราจะทำบุญ น, นั่นหนึ่งก่อนจะทำนั่น จิตใจของเราก็มีความดีความงามความผ่งใสขณะที่ทํานั้นก็เหมือนกันหลังจากทําแล้วเราก็ตั้งมั่นในคิจงานความดีอีกนรกทั้งบุญทั้งผู้สนนั้นอีกให้ใจของเรามันสงบเย็นผ่งใสถ้านะทั้งสามการนี้พร้อมได้รับที่บริสุทธิ์ความผู้รับนั้นก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้ว อั น, นิี้สงแห่งการทำบุญนั้นก็จะมากขึ้นเมื่อเราทำอย่างนี้เป็นลักษณะที่เป็นประจำนะสำเสมอในการจะให้ทานก็ดีในการจะสมทานศีลก็ดีนะเราก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้วจิตมั่นคงแล้วก็มีอา น, นิสงส์มากขึ้นมา นี่เราจะรู้จักได้ก็โดยการฟังธรรมหรือการอ่านหนังสืออ่านธรรมะถ้าเกิดปัญญาขึ้นความสงสัยในข้อปฏิบัติทั้งหลายบรรเทาลงไปในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยกระแสของธรรมก็จะฟอ ก, กจิตใจของเราให้มีความขาวมีความสะอาดนะมีความขาวมีความสะอาดปองใส จิบของผู้ฟังย่อมจะผ่องใสเพราะการฟังธรรมตายไปแล้วก็ไปสุคติพบดังการฟังธรรมนี้จึงมีอนิสงส์มากการที่เราได้เข้ามาที่วัดได้มาทำบุญเนี่ยก็คือมีโอกาสที่พวกเรานั้นจะได้ศึกษาหรือฟังธรรมะมันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะชักนําใจของเรานั้นให้ สูงขึ้นไปเพราะธรรมดาของใจเนี่ยมันมีความกัดแกงไปมันก็มีลมพัดมาแรงๆใบไม้มก็แกว่งไปนึ่งทงแกงไปก็มีปัญหาถามว่าใบไ ม, ม้หรือนงทงนั้นอะ่ะมันแกว่งเพราะว่ามีลมหรือมีทง ก็จะมีการทุ่มเถียงกันอยู่อะถ้ามีธงลมพัดมาก็แกว่งถ้าไม่มีธงก็ไม่มีอะไรจะแกว่งน่ะคนสองคนจะทุ่มเถียงกันแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยนะถ้ามีธงก็มีลมก็ยังมีตัวมีตน ม, มีความมุ่นหมายนะก็ต้องมีความว่างก็รเกิดใจที่ว่าง ทางดี ใ, ใจของเรามันก็มีเหตุมีผลสารพัดอย่างในใจเนี่ยใจก็ไม่ว่างหลวพ่อชายยุทธเทศว่าให้ปฏิบัติให้จิตของเราเนี่ยอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายเราก็พิจารณาคำเทศของท่านนะนอกสุขเหนือทุกข์ไปนอกเกิดเหนือตายนะให้มันพ้นไปจาก ตัวเราลึกของเราจากการเวียนแพทยตใจเกิดนั่นแหละน่นจาจะอารมณ์เพราะอารมณ์เนี่ยบางครั้งมันมาสูงสูงท่านก็ว่าให้เราลงไปต่ําๆแต่อารมณ์ต่ำๆมากก็ให้กระโดดข้ามหัวไปคือไม่เข้าไปยึดถือในอารมณ์นั่นแค่การฝึ ก, กจิตของเราอย่างนั้นเมื่อเราฝึ ก, กจิตของเราอย่างนี้เนี่ย อยู่ที่บ้านที่ทํางานามีสติมีปัญญาตามดูจิตของเราเรื่อยไปเราก็จะรู้จักหลักของการปฏิบัตินะหลักการปฏิบัติที่จะฝึ ก, กจิตของเราไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายแต่เมื่อสติทําปัญญาทำอ่อนลงมาความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเราก็ต้องอดทนนะอดทนตรงนี้ต้องอดทน มีความบดทอนบดกั้นไว้พยนต์ศีล น, นี้น่นะจึงสำคัญนะศีลนะหประการที่เราได้สมัทานกันวันนี้นะนะเป็นเบื้องต้นเป็นหลักประกันของชีวิตของเราละการำดำเนินชีวิตของเราตั้งมั่นอยู่ในศีลญาธรรมะนะสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่จะเกิดขึ้นไปอีกได้นะั่นะต้องอาศัยหลักของใจที่มีศีลก่อน มืหลักของใจมีศีลดีงามแล้วนี่การที่พวกเราจะมีสติสมาธิมันก็จะตั้งมัน่นนะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องศีล น, นี้จึงสําคัญแต่เมื่อพวกเราเนี่ยก็หวังที่จะหลุดพ้นอาจจะหลุดพ้นโดยการที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วเราก็ตามพระองค์ไป ตามองบรมพรนิสัตในที่สุดเราก็ลุดพ้นได้นราจะพยายามจุดพ้นในชาตินี้จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือหมดจากกิเลสจากวิชาธนาประธานที่มันครอบคุมใจของเราเมานานแล้วนั บ, นบไม่ได้ถ้าเราเอาตัววิชาธนาประธานออกไปมากเท่าไหร่ใจก็จะผ่องใสามากขึ้นเท่านั้นการสร้างคุณงามความดี ตั้งแต่ทานนะบรมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อต้องการละ ก, กิเลสไปนแีแต่เมื่อมันยังละไม่ได้หมดอริสง์แห่งการทํานั้นก็มีอยู่นะมีอยู่แล้วอย่างการให้ทานอริสงก็จะได้รับความสุขจิตใจได้รับความสุขก่อนอยู่ในปัจจุบันนี้เดี๋ยพบข้างหน้าก็จะได้ไปรับผลแห่งความสุขที่เราทํา ผลปัจจุบันนี้เราก็เป็นผู้ที่มีปัญญาผูจักการใช้ทรัพย์แบ่งการใช้ทรัพย์ของเราในการทําบุญในการเกี่ยวไว้รักษาสังขารร่างกายการส่งขย่ า, าติสเมแขภรยาสามีบุตรนั้นก็เป็นมงคลของชีวิตอีกเมื่อเรารู้จักแบ่งปันแล้วนะเราทําหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์ มีโอกาสเวลาเนี่ยที่สำคัญหาโอกาสหาเวลาด้วยในการปฏิบัติ่างสร้างคุณงามความดีของเราในใจเพราะชีวิตของคนเราที่จะอยู่ถึงร้อยปีสมัยปัจจุบันก็น้อยอายุขยขยคนเรา75ปีมันก็ใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้อง ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตในวัยของเราที่ยังแข็งแรงพยายามสร้างคุณงามความดีของเราไว้คุณงามความดีที่เราได้ทำกันก็คือหนึ่งท่านการให้สองศีลสามการเจริญภาวนาทำสมาธิทำจิตของเราให้มีความสงบเนี่ย ก็เรื่องของการภาวนาเนี่ยแม้ว่าจะยากลำบากหน่อยเพราะจิตเนี่ยมันกัดแกวงเนี่ยเจอเอารมณ์มาก็กัดแกวงเราก็ต้องพยายามพยายามว่าตั้งแต่วันนี้ทำทุกวันนะแลึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็พยายามที่จะภาวนาโดยมีทานการให้มีศีลเป็นปกติ มีใจประกอบด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุติตาอุเบกขาธรรมนี่ว่าผ ม, มิหารสี่ที่จะรักษาจิตของเราไว้เมื่อเรามีภพ ม, มิหารสี่รักษาจิตของเราไว้ได้อย่างดีศีลก็จะมั่นคงอยู่ได้จะตั้งมั่นทัน้สิ่งที่สำคัญเนี่ย ที่พวกเราต้องพยายามกันก็นนคือจิตที่สงบตั้งมั่นเพื่อจะให้ปัญญานี่เกิดนั้นเมื่อเราอยู่ในความสงบในการให้ทานความสงบในการที่เรามีศีลความสงบในการฟังธรรมนั่นสำคัญมากนะเราจะรู้ล้วจะเห็นได้ในสมัยพุทธกาลมีเมือนกันนะ ขณะฟังธรรมอยูนะ่กำลังทราบซึ้งอยู่นะเออปรากฏว่ามีขโมยมีโจรก็กำลังงัดบ้านอยู่กำลังขนทรัพย์สินสิ่งของไปมาศนั้นก็ฟังธรรมอยู่ก็เกิดปิติเกิดสมาธิอยู่มันกาลังเลจะไปจับโจรดีขโมยดีหือจะฟังธรรมก่อนแต่กระแสธรรมก็กำลังดูดเดิมอยู่เนียน่ย น, นี้สุดก็ตัดใจได้เรื่องทรัพย์สมบัติทั้งหลายฟังธรรมก่อน ปรากฏว่าขโมยก็ขโมยไปหมดเหมืนกันน่ะแต่ว่าจิตของท่านสละทรัพย์สมบัติข้างนอกได้ก็ได้ทรัพย์สมบัติข้างในได้ดวงตาเห็นธรรมสุดบปฏิผลพระสรบัตบุคคลนี้กว่าประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอาจะเป็นใหญ่อะไรในโลกทั้งปวงเนี่ยจะประเสริฐเท่ากับจิต เรืกำลังกิจบุญมีถ้าถึงกับพระโสดาบาันบุคคล น, นั้นไม่ได้พระโสดาบาันบุคคล น, นั้นเบื้องต้นก็ไม่ตกไปสู่อวัยภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์ริษานถ้าไปไปแล้วมาเกิดในมนุษย์นี้นั่นก็ขึ้นไปเป็นเทวดาอย่างมากก็เจดชาติอย่างกลางสามชาติจิตละเอียดแล้วชาติเดียวจะหลุดพ้นไปจากมนุษย์โลกนี้ไปเทวโลกและกัจนิพนธ์ งเป็นใหญ่กว่าประเสริฐกว่าความมีใหญ่ในโลกทั้งปวงพวกเราที่มาปฏิบัติให้ทานเป็นปกตินักษาศีลห้าเป็นปกตินี้ก็มีปฏิภาทาปฏิบัติเช่นเดียวกับพระโสดาบันบุคคลเหมือนกันเรากำลังเดินมักเรียกาโสดาปฏิมักกาลังเดินมักอยู่ถ้าบารมีของเราเต็มเมื่อไหร่ผลเกิดขึ้นก็เป็นโสดาปฏิผล เพาในขณะที่เรากำลังดาเนินในโสดาปฏิมักนี้อยู่เนี่ยก็ต้องรวบรวมกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถของเราให้เต็มที่ในการปฏิบัติในการให้ทานก็ดีในการฟังธรรมในการสมาทานศีลปฏิบัติสมาธิต้องตั้งใจจริงๆพ ร, ระธรรมชาท่านบอกว่าเมื่อเราตั้งใจจริงนะ เราก็จะต้องได้ของที่จริงนะความตั้งใจนี่สำคัญละถึงจะเป็นผลที่สาเร็จเราจะทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นย่อมจะสาเร็จก็มีฉันทะมีความพอใจในการกระทำในสิ่งนั้นๆในหน้าที่การงานนั้นๆมีความฉันทะมีความชอบมีความพอใจในการปฏิบัติ ในการให้ทานก็สาเร็จในการให้ทานพอใจในการสมาทานศีลสาเร็จในการสมาทานศีลพอใจในการฟังธรรมก็สาเร็จในการฟังธรรมพอใจในการภาวนาย่อมจะสาเร็จในการทำให้จิตสงบมีความพอใจมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่เป็นกุศลเมื่อมีชันธาแล้วนะความเพียรนะวิริยะ นวิริยะนี่ก็ต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่มีฉันทาอย่างเดียวนั้นเราไม่มีความเพียรมีฉันทะแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามนะนมุ่งมั่นพยายามมีวิริยะตั้งใจในความพอใจที่เราตั้งนั้นในการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติสมาธิอย่างนี้เป็นต้น เราก็มุ่งมั่นในความเพียร น, นันดวงจิตนี้เนี่ยมันกวัดแกว่งบางทีอารมณ์จิตก็ดีบางทีอารมณ์จิตก็เศร้าหมองเราตามดูจิตของเราแล้วถ้าจิตของเราดีผ่องใสก็พยายามรักษาไว้เหตุใดจิตของเราเป็นอย่างนี้ก็พยายามปฏิบัติแต่บางครัง้งจิตเศร้าหมองเศร้าหมองโดยเรื่องอะไรก็พยายามละ พยายามไม่ให้เกิดขึ้นม า, นาต้องดูดวงจิตของเราอยู่เสมอเมื่อเรามีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยบ้านของเราจะมีอันตรายไหมเราก็ต้องพิจารณารักษาให้มันอยู่ได้นานา น, นักใจของเรานี้เป็นของที่ประเสริฐที่สุดเลยทำไมเราไม่มารักษาใจให้ดีจะปล่อยใจ ของเราเนี่ยให้มันเศร้าหมองไปเรื่อยๆหละมันจะเกิดประโยชน์อะไรยิ่งจะนําความทุกข์มาให้ใจทั้งนั้นเพราะนั้นอารมณ์อะไรที่ทําให้ใจของเราเศร้าหมองเราก็ต้องพยายามละอารมณ์มั น, นั้นให้ได้และพยายามไม่ให้เกิดอารมณ์ของใจที่เป็นบุญเราก็พยายามให้เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาไว้ เช่นอารมณ์จิตที่คิดจะทําบุญก็เป็นอารมณ์ที่กุศลคิดจะทําบุญทําทานคิดจะสมาทานศีลนะจะฟังทำจะปฏิบัติจะปฏิบัติภาวนาเนี่ยบางทีมีความคิดความดตำริดอกุศลจิตอาจจะมาขัดขวางเป็นกิเลสสมานในใจเขาได้นะขัดขวางได้นะเราต่อสู้ไม่ได้มันต้องต่อสู้กันถ้าเราไม่ต่อสู้แล้วเอาชนะไม่ได้ปล่อยไปตามอำนาจของกิเลส มันก็จะพาไหลลงไปสู่ทะเลแห่งความทุกข์เท่านั้นเราก็ต้องฝ่าฝืนมันอดท น, นอดทนเอาจิตใจฝักไฝ่ในการปฏิบัติของเราว่าจิตต ะ, ะเอาจิตใจของเราฝักไฝ่ในการกระทำความดีคิดพิจารณาอยู่อันนี้ก็เป็น สิ่งที่สําคัญที่จะทําให้สิ่งที่เราตั้งใจสําเร็จลงมาได้มีความเพียรแล้วไม่จะทําเพียรไปโดยที่ไม่รู้ขาดสติปัญญาทําความเพียรประกอบไว้ด้วยปัญญาด้ว ย, ยงั้นเมื่อในเบื้องต้นเราศรัทธานะทำความเพียรก็ด้วยศรัทธาสร้างความดีด้วยศรัทธาแต่ยังขาดปัญญาศรัทนธะาของเราก็ดีอยู่แต่าขาดปัญญาต่อมาก็มีปัญญาด้วยคิดพิจารณา การทำบุญประกอบด้วยปัญญารักษาศีลประกอบไม่ได้ปัญญ า, านะประกอบไม่ ไ, ญญนะ ไ, มไความสงบของใจนะประกอบด้วยปัญญาคิดพิจารณาไขควรอยู่ในคว่าวิมังสาคือพิจารณาให้ในความแยบคายอันนี้จะเป็นอิทธิบาตสีประการอยู่ในองค์คุณธรรมที่จะทําให้เราได้สําเร็จ จิตของเราเดินอยู่ในอิทธิบาทสีนี้การกระทําความดีก็ดีการที่พวกเราสมทานศีลก็ดีมาฟังทำก็ดีน่าจะเป็นสิ่งที่ใจของเราจะสมเด็จได้ในเบื้องต้นเราก็มีความเชื่อองสมเด็จพระศาสดาพสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละมาพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว น, า น, นารกมีจริงสวรรค์มีจริง แต่สิ่งที่ทําให้เราเนิ่นช้านั่นก็คือความประมาทเนือวิช า, าท่านเาประธานมันยังดึงจิตเอาไว้ให้มีความเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้อยู่นะเราต้องพิจารณาถึงชีวิตถึงวัยของเราที่มันเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันในที่สุดมันก็ต้องแตกสลายเราจะไม่ประมาทและสร้างความดีให้มากในวันเสาร์ ว, วันอาทิตย์ เราก็มาปฏิบัติให้ทานรักษาศีลมาฟังธรรมสักก่อนมีโอกาสแล้วอีกครึ่งวันก็เราก็ใช้ชีวิตของเราได้นะอยู่ในครอบครัวอยู่ในโลกอันนี้ในวัดเราเห็นคุณค่าของใจที่สำคัญมาใจนี้ถ้าเราพัฒนาให้ดีแล้วจะนาความสุขมาถ้าใจเราละโลภโกรธหลงได้มากเราจะมีความสุขมากขึ้น ไม่ใช่ว่าเรามีอะไรที่มากๆในทางโลกวัตถุสิ่งของมากมายเราจะมีความสุขก็มีความสุขเหมือนกันแต่ความสุขนั้นยังเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อยู่ได้แต่ใจที่เป็นสมาทิฏฐินีนะ้เป็นใจที่จะมีความสุขล้วนๆนะภายในพวกเราจึงต้องพยายามมาแสวงหาใจของเราตรงนี้ให้มีการพัฒนาขึ้นไป ในทุกสัปดาห์นี่แหละให้ใจผ่องใสขึ้นวันคืนที่ล่วงไปก็เป็นวันคืนที่ล่วงไปกับการสร้างความดีไปพร้อมกับการดำรงชีวิตของเราเราอย่างนี้ความสําคัญว่าร่างกายเนี่ยมันจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยสี่แต่ใจล่ะมันจะอยู่ได้ด้วยอะไรถ้าใจนี่ปัศจาธรรมะ จะเป็นใจที่มีแต e ่ความทุกข์ร้อนเล่นหล่นค้อนกวายไปตลอดชีวิตไปถ้าใจมีธรรมะจะเป็นใจที่สงบเยืองเย็นเราจะเลือกใจไปทางไหนทุกคนก็คงอยากจะเลือกใจที่สงบเยืองเย็นเห็นโทษแล้วว่าความโกรธไม่ดีก็อยากจะละความโลภความหลงไม่ดีอยากจะละก็ต้องพยายาม เราก็อยากให้จิตบริสุทธิ์ทั้งนั้นแหะถ้าเราตั้งใจได้บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เราก็ต้องการ่แต่มันไม่ได้เพราะว่าอวิชชาธนาอุปทานมันครอบคุมจิตไว้แต่เราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติถ้าเร า, าฝึกหัดปฏิบัติเราจะรอดได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีวาสนาบารมีวาสนาบารมีนี่ก็อยู่ที่เราทํำนี่แหละถ้าเราตั้งใจทําก็มีวาสนาบารมีถ้าไม่ทาวาสนาบารมีก็ไม่เกิด จะรอใครมาช่วยบรรดานให้เราล่ะเราต้องมาปฏิบัติเองเราทานอาหารเองเราต้องอยิ่อิ่มนะคนอื่นเราประทานเราจะอิ่มได้อย่างไรนาะศีเราก็ต้องมาสมท า, านเองทานเราต้องทําเองการภาวนาก็ต้องภาวนาเองหรือว่าต้องพึ่งตัวเองนั่นแหละคำว่าพึ่งตัวเองนี่ว่าอัตติอัต โ, โนนาโถ ก็เห็นนะทวอปโรสิยานะตนและเป็นที่พึ่งของตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้เผ่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเราต้องปฏิบัติตามที่จะเกิดขึ้นมากับเราได้พระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทางนี้จะไปสวรรค์นะทางนี้จะไปพรหมโลกทางนี้จะไปเป็นนิพพานนะอย่างเราให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมเนี่ยก็ทางที่จะไปสู่ความสุข เราสร้างเหตุไว้แล้วความสุขก็ได้ปัจจุบันนี้เองเสียก่อนทั้งจะไปรับความสุขข้างหน้าไม่จะสร้างเหตุปัจจุบันนี้แล้วไปรับความสุขข้างหน้านู้นความสุขก็ได้ปัจจุบันนี้ทําบาปเดี๋ยวนี้ก็ได้รับผลว่าเป็นบาปเดี๋ยวนี้ไปวางได้เดี๋ยวนี้ใจก็เป็นนิพพานได้เดี๋ยวนี้ทำใจได้สงบได้ก็เป็นพมได้เดี๋ยวนี้ในใจตรงนี้อ่ะก็พยายามพัฒนาใจ ให้สู่สิ่งที่เรามุ่งหมายก็คือความสงบสุขของใจให้ได้นะก็ขอให้พวกเราทุกๆคนนั้นเป็นผู้ตั้งมั่นในศรัทธาเกิดสติเกิดปัญญาและสาเร็จมรรผลนิพพา น, นทุกกานทุกท่านเทอสาธุ